อรูปาวจรกุศลจิตจำแน่อรูปประชานสี่เป็นอย่างละส6 2ห5สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไนะโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปประพบเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆสัญญาดับไปเพราะไม่มนัสิกานานตตะสัญญา บาลุจตุจานที่สหรคตด้วยอากาสานัญจายตนะสัญญาสหรคตด้วยอุเบกขาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสธะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล266สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนะ โยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะละสุขได้บรรลุจตุตชฌานที่สหรคตด้วยวิญญาณัญจายตนะสัญญาสหรคตด้วยอุเบกขาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล267 สภาวธรรมที่เป็นขุศสเป็นชไหนโยคาวจรบุคคลเจริญมรคเพื่อเข้าถึงอรูปประพบเพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงบรรลุจจตุดจชานที่สหรคด้วยอากินจัญญายตนะสัญญาสหรคด้วยอุเบกขาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสะอาวิเขปะก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสองสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจตุตติฌานที่สหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาสหารคตด้วยอุเบขาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขได้ อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลจำแนกอรูปฌานสี่เป็นอย่างละ16จบอรูปาวจรกุศลจิตจบเตภูมิกะกุศลจิตกามาวจรกุศลจิต269สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนะ จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุตไดยานเป็นขั้นต่ําเป็นชั้นกลางเป็นชั้นประณีเป็นฉันทาธิปไตยเป็นวิริยาธิปไตยเป็นจิตตาธิปไตยเป็นวิบังสาธิปไตยเป็นฉันทาธิปไตยชั้นต่ําชั้นกลางชั้นประณีเป็นวิริยาธิปไตยชั้นต่ําชั้นกลางชั้นประณี เป็นจิตตาที่ปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนีเป็นวิมังสาที่ปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนีเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ที่ว่าเป็นกุศล 270. สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไนะจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหอรคดวยโสมนัสสัมปยุตไิยาน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 เกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงเป็นชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนีเป็น ช, a, ชั้นทาทิปไตเป็นวิริยาทิปไตเป็นจิตตาทิปไตเป็น leve. ชั้นทาทิปไตชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนีเป็นวิริยาทิปไตชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนีเป็นจิตตาทิปไตชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนีเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเกปะก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็น ก, าานกุศลกามาวจรกุศลจิตจบรูปาวจรกุศลจิตสองรสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชไหนะโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสังกัดจากรามบรรลุปัตมะฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประณี เป็นฉันทาธิปไตยเป็นวิริยาธิปไตยเป็นจิตตาธิปไตยเป็นวิมังสาธิปไตยเป็นฉันทาธิปไตยชั้นต่ําชั้นกลางชั้นประณีเป็นวิริยาธิปไตยชั้นต่ําชั้นกลางชั้นประนีเป็นจิตตาธิปไตยชั้นต่ําชั้นกลางชั้นประนีเป็นวิมังสาธิปไตยชั้นต่ําชั้นกลางชั้นประนีอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัส อวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล272สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนัยโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพพระวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยชาญบรรลุตติยชาญบรรลุจตุตถชานบรรลุปัธรรมาชาญบรรลุปัญจรรมาชาญ ที่มีปทวีกสิณเป็นอารมณ ος, เ์เป็นชั้นต่ำเป็นชั้นกลางเป็นชั้นประนีตเป็นชั้นทาธิปไตเป็นวิริยาทิปไตเป็นจิตตาทิปไตเป็นวิวังสาทิปไตเป็น onya, ชั้นทาธิปไตชั mañana, APPLAUSE, ้นต่ำ <puisque> <pursued> ชั้นกลางชั้นประนีตเป็นวิริยาทิปไตชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนีตเป็นจิตตาทิปไตชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนีต เป็นวิมังสาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนียอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสษาอาวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลรูปาวจรกุศลจิตจบอรูปาวจรกุศลจิต273สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไนะ โยคาวาจอนบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปประพบเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆะสัญญาดับไปเพราะไม่มานัสิกานานัตตสัญญาจึงบรรลุจตุจฉานที่สหรคตด้วยอากาสานัญจาตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เป็นชั้นต่ำเป็นชั้นกลางเป็นชั้นประี เป็นฉันธาธิปไตยเป็นวิริยาทีปไตยเป็นจิตตาธิปไตยเป็นวิมังสาธิปไตยเป็นฉันธาที่ปไตยชั้นต่ําชั้นกลางชั้นประนีเป็นวิริยาทีปไตยชั้นต่ําชั้นกลางชั้นประนีเป็นจิตตาธิปไตยชั้นต่ําชั้นกลางชั้นประนีเป็นวิมังสาธิปไตยชั้นต่ําชั้นกลางชั้นประนีอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัทรสาวิเเปะก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล274สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉะไหนยโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปปภพเพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจตุถชาญที่สวรคตด้วยวิญญาณัญจายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะ ละสุขและทุกข์ได้แล้วเป็นชั้นต่ําชั้นกลางชั้นประณีเป็นชั้นทาธิปไตยเป็นวิริยาธิปไตยเป็นจิตตาธิปไตยเป็นวิมังสาธิปไตยเป็นฉั้นทาธิปไตยชั้นต่ําชั้นกลางชั้นประนีเป็นวิริยาธิปไตยชั้นต่ําชั้นกลางชั้นประนีเป็นจิตตาธิปไตยชั้นต่ําชั้นกลางชั้นประนีเป็นวิมังสาธิปไตยชั้นต่ําชั้นกลางชั้นประณีอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมแม่เหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล275สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหะนโยคาวจรบุคคลจเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงอรูปปภะพเพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรลุจจตจารที่สรคต ด, ด้วยอากิจนจญัญญายตนะสัญญา ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้แล้วเป็นชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประณีเป็นฉั้นทาธิปไตยเป็นวิริยาธิปไตยเป็นจิตตาธิปไตยเป็นวิมังสาธิปไตยเป็นฉั้นทาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประณีเป็นวิริยาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประณีเป็นจิตตาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนี เป็นวิมังสาทิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนีอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสาววิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล 276. สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงอรูปปภพเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุดชฌาชนที่สหรุคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เป็นชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปรนีเป็นฉันาทาธิปไตยเป็นวิริยาธิปไตยเป็นจิตาตาธิปไตยเป็นวิมังสาธิปไตยเป็นฉันทาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปรนี เป็นวิริยาที่ปไายชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนีเป็นจิตตาที่ปไายชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนีเป็นวิมังสาที่ปไายชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนีอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัทธะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลอรูปาวจรกุศลจิตจบโลกุตระกุศลจิต สุทิกะปฏิปทามัคจิตดวงที่หนึ่งส7สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนหะนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุขให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสังัดจากกรมและอกุตรธรรมทั้งหลายบรุปธรรมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันถาปิญญา มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัฒสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาสตินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีมนินสีโสมณสินสีชีวิตินสี อนัญญาตัญยัตสามีตินสีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัทธาภิริยภะลสติภะรสมาธิภะปัญญาภลหิริภะรโอตประภะอโรภะอโทสะอโมหะอนัพพิชาอัพพยาบาทสัมมาทิฏฐิ อิริโอตัปปะกายปัสสัติจิตตปัสจัติกายละหุตาจิตละหุตากายมุทุตาจิตตุตัมุทุตากายกรรมัญญตาจิตตกรรมัญญตากายปาคุญญตาจิตตปาคุญญตากายยุชุกตาจิตตุชุกตาสติสัมปชัญญะสมถวิปัสนาปะคาหะและอวิเเคปะก็เกิดขึ้น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 ความอิ่มเอิบความปราโมดความยินดีอย่างยิ่งความบันเทิงความร่าเริงความรื่นเริงความปลื้มใจความตื่นเต้นความที่จิตชื่นชมยินดีปีติสมโพธชงในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าปีติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น286สุขที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนความสาราญทางใจความสุขทางใจความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นตุก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 สมาธิภะสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพมุทธชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเอกกคตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นส8งสัตทินรียที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนะความเชื่อกริยาที่เชื่อความปรงใจเชื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งศรัทธาสัตถินรีศรัทธาภละ ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัตทินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสองิวิริยินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉะไหนการประารพบความเพียรทางใจความขมขมเม่นความบากบันความขวนขวายความพยายามความอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความหมั่นความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทอดทิ้งจันทะความไม่ทอดทิ้งทุระ ความเมาใจใส่ธุระวิริยะวิริยินสีวิริยะภระสัมมาวายามะวิริยะสัมโพธชงันเป็นองค์มักนับเนื่องในมักในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิริยินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น290 อ, อสิสตินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจำ ความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินสีสติพระสัมมาสติสติสัมโพชฌ ง, งันเป็นองค์มักนับเนื่องในมักในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าสตินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นส9 1ร้อยสสมาธินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉะไหนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงมั่นความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ทัดสายความไม่ปุ้งซ่าน ความที่จิตไม่ทัดทายสมถะสมาธินสีสมาธิภละสัมมาสมาธิสมาธิ ส, าธสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสมาธินีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น29งร้ อ, อปัญญินีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนะิดปัญญากริยาทยี่รู้จัก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 ปัญญาเหมือนปราสาสต์ความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประที่ปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นทำรรสัมมาทิฐิธรรมวิจยะสัมโพธชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าปั ญ, ญินทรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น293ร้29ิมณีนทรียที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนะัย จิตมโนโมานั์ไทยไทยปัณดระมะโนโมนายตนะมะนินทร์สีวิญญาณวิญญาณขันและมะโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามนินทร์สีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสองอสสโมสมานต์สินทร์สีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนยัยความสําราญทางใจความสุขทางใจความเสเวย อ, อารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวย อ, อารมณ์ที่สํำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าโสมนัสสินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น295ชีวิตินสียที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนาอายุความดํารงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดําเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิต ชีวิตินทร์สีแห่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเหล่านั้นในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าชีวิตินทร์สีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสองอนั ญ, ญญาตัญยศามีตินทร์สีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นชนิดปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยรำความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะ ภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้งความค้นคิดความใคร่ครวญปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาเหมือนปัจักปัญญาปัญญินสีปัญญาภละปัญญาเหมือนัตราปัญญาเหมือนปราสาสความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีป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 ความค้นคิดความใคร่ครวนปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทําลายกิเลสปัญญาเครื่องนําทางความเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาเหมือนปัตตักปัญญาปัญญินทรียีปัญญาภละปัญญาเหมือนสัตตราปัญญาเหมือนปราศาสต์ความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประที่ปัญญาเหมือนดวงแก้ว ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นทำรรสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพชฌงันเป็นองค์มัชนับเนื่องในมัชในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น298ร้าสัมมาสังกัปปะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริกความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สัมมาสังกัปปะอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น299สัมมาวาจาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นชไหนความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเว้นการไม่ทําการไม่ประกอบการไม่ร่วงละเมิดการไม่ล้ําเขต การกำหนดต้นเหตุแห่งวจีทุจริตสการกล่าววาจาชอบอันเป็นองค์มักนับเนื่องในมักในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าสัมมาวาจาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 300. รสัมมากรรมมันตะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเว้นการไม่ทําการไม่ประกอบการไม่ร่วงละเมิดการไม่ล้าเขต การกำจัดต้นเหตุแห่งกายทุจริตสการงานชอบอันเป็นองค์มักนับเนื่องในมักในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมากรรมมันตะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น301เอสัมมาอาชีวะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเว้นการไม่ทําการไม่ประกอบการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้าเขตการกาจัดต้นเหตุแห่งมิจฉาชีพ การเลี้ยงชีพชอบอันเป็นองค์มรคนับเนื่องในมรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาอาชีวะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสามร้อยสองสัมมาวายามะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนการปรารบความเพียรทางใจความขมขมเม่นความบากบันความขวนขวายความพยายามความอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความมั่นความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้ถอย ความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งทุระความเอาใจใส่ทุระวิริยะวิริยิยนทรีวิริยะภะละสัมมาวายามะวิริยะสัมโพธชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาวายามะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสามร้อยสามสัมมาสติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนสติความตามระลึกความหวน ระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินสีสติพละสัมมาสติสติสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรคนับเนื่องในมครคในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าสัมมาสติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น3ามร้อยส่สัมมาสมาธิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นชนหน ความตั้งอยู่แห่งจิตความดารงอยู่ความไม่ทัดสายความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่ทัดสายสมถสะสมาธินีสมาธิพระสมาสมาธิสมาธิสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรคนับเนื่องในมรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาสมาธิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสามหาศรัทธาภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉะไหน ความเชื่อกิริยาที่เชื่อความปรงใจเชื่อความเลื่อมใสยิ่งศรัทธาสัตทินสีศรัทธาภละในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าศรัทธาภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น306หวิริยะภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉะไหนการปรารบความเพียรทางใจความขมขมเม่นความบากบันความขวนขวายความพยายามความอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความมัน ความมุ่งมั่นอย่างไม่ทอถอยความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งทุระความเอาใจใส่ทุระวิริยินจีวิริ ย, ร ย, รยพละสัมมาวายามวิริยสัมโพชฌงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิริยภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น307ร้อยสติพละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนสติ ความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจําความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินสีสติภละสัมมาสติสติสัมโพชงอันเป็นองค์มรคนับเนื่องในมรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสติภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น308สมาธิภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนะัย ความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ซัดสายความไม่พุ้งซ่านความที่จิตไม่ซัดสายสมถะสมาธินสีสัมมาสมาธิ ส, สมาธิภะสมาธิสัมโพชชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสมาธิภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น3 0 9ปัญญาภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนปัญญา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 ปัญญาเหมือนประดาศาทความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธ ร, รสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าปัญญาภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสรสิวริภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไน กิริยาที่ละอายต่อการประพฤติจริตริอันเป็นสิ่งที่ควรละอายกิริยาที่ละอายต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าิวริภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น311โอตตปะภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนกิริยาที่เกรงกลัวต่อการประพฤติจาริตริษทธอันเป็นสิ่งที่ควรเกรงกลัว กิริยาที่เกรงกลัวต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็นอคุศลนซึ่งเป็นบาปในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าโอต ป, ปะภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น312อโลภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความไม่โลภ ก, กิริยาที่ไม่โลภภาวะที่ไม่โลภความไม่กำนัดกิริยาที่ไม่กำนัดภาวะที่ไม่กำนัดความไม่เพ่งเล็งกุศลมูลคืออโลภะ ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอโลภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นส1 3อยโทสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความไม่คิดประทุษร้ายกิริยาที่ไม่คิดประทุษร้ายภาวะที่ไม่คิดประทุษร้ายความไม่พยาบาทความไม่คิดเบียดเบียนกุศลมูลคืออโทสะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอโทสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น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 นี่ชื่อว่าอโมหะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสามอสห้าอนัพพิชาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความไม่โลภกิริยาที่ไม่โลภภาวะที่ไม่โลภความไม่กำนัดกิริยาที่ไม่กำนัดภาวะที่ไม่กำนัดความไม่เพ่งเล็งกุศลมมลคืออโลภะในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าอนัพพิชาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 3ามอัพยาบาทที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความไม่คิดประทุษร้ายกิริยาที่ไม่คิดประทุษร้ายภาวะที่ไม่คิดประทุษร้ายความไม่พยาบาทความไม่คิดเบียดเบียนกูโลมูลคืออโทสะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอัพยาบาทที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น3ามสิบเจสมาธิฏิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนปัญญา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 ความเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาเหมือนปัตักปัญญาปัญญินสีปัญญาภละปัญญาเหมือนสัตตราปัญญาเหมือนปราสาทความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมาทิฏิธรรมวิทยะสัมโพธชงอันเป็นองค์มักนับเนื่องในมักในสมัยนั้น นี้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น318ริบหิริที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนกะิริยาที่ละอายต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอายกิริยาที่ละอายต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าหิริที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น319 โอตตะปะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนกะิริยาที่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรเกรงกลัวกิริยาที่เกรงกลัวต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็ น, ปนบาปในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าโอตตะปะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น320กายปัตสทธิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนะความสงบความสงบ ป, ประงับ กิริยาที่สงบก the ิริยาที่สงบระงับภาวะที่สงบระงับแห่งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันปัตสัทติสามโพธชงในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ากายปัตสัตติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น3 2มดจิตปัสสัตติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนความสงบความสงบระงับกิริยาที่สงบกิริยาที่สงบระงับ ภาวะที่สงบระงับแห่งวิญญาณขันปัสสธิสัมโพธชงในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตปัตสธิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น322กายระหุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนยัยความเบาความรวดเร็วความไม่เชื่องช้าความไม่หนักแห่งเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ากายระหุตตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 3 2มรจิตตลหุตตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความเบาความรวดเร็วความไม่เชื่องช้าความไม่หนักแข่งวิญญาณขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตลหุตตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น324ร้ยยี่สิบกายมุตุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนม ไ, มมไมน ความอ่อนภาวะที่อ่อนความไม่แข็งความไม่กระด้างแห่งเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ากายมุตุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น325จิตตมุตุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนความอ่อนภาวะที่อ่อนความไม่แข็งความไม่กระด้างแห่งวิญญาณขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตมุตุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น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 ความควรแก่การงานกิริยาที่ควรแก่การงานภาวะที่ควรแก่การงานแห่งวิญญาณขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตรรมัญญาตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น328 ย, ยกายปาคุ ญ, ญาตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนความคล่องแคล่วกิริยาที่คล่องแคล่วภาวะที่คล่องแคล่วแห่งเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันในสมัยนั้น นี้ชื่อว่ากายปาคุณยะตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น329จิตตปาคุณยะตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความคล่องแคล่วกิริยาที่คล่องแคล่วภาวะที่คล่องแคล่วแห่งวิญญาณขันในสมัยน um ั้นนี้ชื่อว่าจิตตปาคุณยะตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น330กายุชุกตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน ความตรงกิริยาที่ตรงความไม่คดความไม่โค้งความไม่งอแห่งเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ากายุชุกตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น3 3มจิตตุชุกตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนความตรงกิริยาที่ตรงความไม่คดความไม่โค้งความไม่งอแห่งวิญญาณขันในสมัยนั้น นี้ชื่อว่าจิตตุทุกตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น332สติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไฉสติความตามระลึกความหวนประลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินสีสติพระสัมมาสติสติสัมเพาชงอันเป็นองค์มัคนับเนื่องในมัคในสมัยนั้น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 อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นส3 4สมถะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ซัดสายความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่ซัดสายสมถะสมาธินีสมาธิภละสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชฌงันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้น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 นี้ชื่อว่าวิปัสสนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น336ปัอยสาหะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความปรารบความเพียรทางใจความขมักขม่นความบักบันความขวนขวายความพยายามความอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความมั่นความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งทุระความเอาใจใส่ทุระวิริยะเวริยินตี วิริยผละสัมมาวายามะวิริยสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าปักคาหะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น337อยิบเวิเคเขปะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนะความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ซัดสายความไม่พุ้งซ่านความที่จิตไม่ซัดสายสมถะสมาธินี สมาธิภะลสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรคนับเนื่องในมรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอาวิเคปะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลขันศีอายตน 2, าสองธาตุสองอาหารสมอินรี่เกาฌานมีองค์ห้ามรคมีองค์8ปดภะละเจ็ด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 ส38สังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนผะัสเจตนาวิตกวิจารปิติเอกคตาสตินสีเวริยินทรีสตินสีสมาตินสีปัญญินสียชีวิตินสียอนัญญาตัญญยศามีตินสีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติส <ee> <S Because acceptable> ัมมาสมาธิสัทธาภิริยภะรัสติภะรสมาธิภะรัปัญญาภะริภะริโอตตปะภะรัโลภะอโทสะอโมหะอนาคิชาอัปปยาบาทสัมมาทิฏฐิหิริโอตตปะกายปัจจสธิจิตตปัจจสธิกายลหุตาจิตลหุตากายมุตุตาจิตตมุตุตากายกรรมญญตาจิตตกรรมัญตา กายปาคุณ ญ, ญาตาจิตตปาคุณ ญ, ญาตากายุชุ ก, กตาจิตตุชุ ก, กตาสติสัมปชัญญะสมถะวิปัสนาปะคาหะและอวิเเคปะหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันสัญญาขันและมิญญาณขันนี้ชื่อว่าสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล 339สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหะนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตถุทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรุปธรมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาคิปปาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสดาอวิเกคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล 340สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชะไหนยโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุเตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัด จ, จากการบรรลุปัรมชฌานเป็นสุขาปฏิปาทาธันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสสวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล 341สเสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนยโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัด จ, จากการบรุปธรมฌานเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสอะวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล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 เป็นทุกขาปฏิปทาขิ ป, ปาปิญญาเป็นสุขาปฏิปฏาทาธันทาปิญญาเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสุทิกะปฏิปทาจบสุญญตสา3ร้สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชไหนะ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 โยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตถุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นพระวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรุทุติยฌานบรุตติยฌานบรุจตุตตฌานบรุปธรรมฌานบรุปัญจฌานอันเป็นสุญญตะอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัทะอวิเขปะก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสุญญาจบสุญญา ต, ญาตมูลกปัปติปทา345ส า, สสาสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภุมมเบื้องต้นสงัดจากการบรุปธรรมฌานอันเป็นสุญญา เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นปัสสะอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล 346. สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนหะนโยกาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมเบื้องต้นสัดจากาม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 เพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัด จ, จากกรมบรุปธรรมชาญอันเป็นสุญญตเป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลส4 8้สี่ิปดสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะ โยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัด จ, จากกามลุปธรรมฌานอันเป็นสุญญาตเป็นสุขาปฏิปทากิ ป, ปาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล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 เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอันเป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาอันเป็นสุญญตะเป็นสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาอันเป็นสุญญตะเป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสธะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสุญญตะมูลกะปฏิปทาจบ อปปนิหิตะส5 0หสสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนะไหนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามลุปัรมชฌานอันเป็นอัปปนิหิตะอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสดะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล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 เพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัด จ, จากการบรลุปัมะฌานอันเป็นอปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสธะอวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล353สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนหะน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 ภัสสะอาวิเคเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล355หสห้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะัโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกาม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 พระวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยชาญบรรลุตติยชาญบรรลุจตุตชานบรรลุปัธรมชาญบรรลุปัญจมาชาญอันเป็นอัปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอันเป็นอัปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทากิปปาปิญญาอันเป็นอัปปนิหิตะเป็นสุขขาปฏิปทาทันทาปิญญาอันเป็นอัปปนิหิตะ เป็นสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสธะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลอั ป, ปนิหิตะมูลกะปฏิปทาจบมหาในาย0 3สิบสหเจสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหะนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคที่เป็นโลกุตระเจริญสติ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 โยคาวาจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรุปธรรมชาญเป็นฉันทาธิปไตยเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาเป็นวิริยาธิปไตยเป็นจิตตาธิปไตยเป็นวิมังสาธิปไตยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสดะอวิเขปะก็เกิดขึ้น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 เป็นชันทาทิปไตยเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาเป็นวิริยาทิปไตยเป็นจิตตาทิปไตยเป็นมิมังสาทิปไตยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล3ามร้อยหสสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนะโยคาวจรบุคคลจเจริญมักที่เป็นโลกุตระ เจริญสติปทานที่เป็นโลกุตระเจริญสมมติปทานที่เป็นโลกุตระเจริญอิทธิบาทที่เป็นโลกุตระเจริญอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระเจริญภระที่เป็นโลกุตระเจริญโพชงที่เป็นโลกุตระเจริญสัจจะที่เป็นโลกุตระเจริญสมถะที่เป็นโลกุตระเจริญธรรมที่เป็นโลกุตระเจริญขันธ์ที่เป็นโลกุตระ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 361สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตถุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อบรรุภูมิที่สองเพื่อทำกามราคาและพยาบาทใหเบาบางสงัดจากการบรุปธรรมชาญเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสอัญญี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 สังัดจากการบรรุปัรมชฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นปัสะอันญญีสีอวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลมัคจิต ด, ดวงที่ส3 6สสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะไหน โยคาวาจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อบรุภูมิที่สเพื่อละรูปปราคะอรูปปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือสงัด จ, จากการบรุปธรรมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสสะอัญญจี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 ปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาเหมือนประตักปัญญาปัญญินตรีปัญญาภะปัญญาเหมือนศัตราปัญญาเหมือนปราศาสต์ความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นทำสัมมาทิฏฐิธรรมมะวิเจยะสัมโพชง อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคเพื่อรู้ธรรมที่รู้แล้วเพื่อเห็นธรรมที่เห็นแล้วเพื่อบรุธรรมที่บรุแล้วเพื่อทราบธรรมที่ทราบแล้วเพื่อทำให้แจง้งธรรมที่ทำให้แจ้งแล้วในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าอันินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอวิเกปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวาธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้น